267นักการเมืองที่แท้จริงมีลักษณะแห่งอํานาจในตัวความเป็นอํานาจดังกล่าวนี้คืออํานาจที่เหนือโลกและอํานาจที่เหนืออัตตาเป็นอํานาจโดยธรรมนี่แหละคืออํานาจแท้ของธรรมมาธิปไตยความเป็นอํานาจจริงแท้อย่างนี้ปานชนี้จะนับว่าเป็นผู้มีอํานาจไหมละ่ะ ซึ่งทั้งในโลกก็มีอำนาจเหนือโลกและทั้งที่ในตนก็มีอำนาจเหนือตนจึงไม่ยึดทั้งโลกและไม่ยึดทั้งตนเป็นผู้ทำงานรับใช้โลกทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติอยู่ทาความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติอยู่ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวจริงๆ ไม่ใช้ความเห็นแก่ตัวไม่ใช้กิเลสมาบงการตนเองทำงานให้แก่บ้านเมืองอยู่หรือเพื่อมวลชนในบ้านในเมืองอยู่เช่นนี้จะเรียกว่าทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองไหมละ่ะเป็นผู้ทำงานทำการให้แก่บ้านเมืองโดยไม่เห็นแก่ตนอย่างนี้ยังจะเรียกว่านักการเมืองไม่ได้หรือ ผู้ปฏิบัติเข้าใจโลกและเข้าใจตนอย่างสำ ม, มาทิฏฐิจริงแล้วลดความเป็นโลกในตนซึ่งก็คือลดความเป็นอัตตาในตนลงได้ก็เริ่มมีความเป็นพุทธไปตามลำดับผู้พ้นโลกและพ้นตนหรือพ้นอัตตาบริบูรณ์ก็เป็นผู้ที่เป็นพุทธสมบูรณ์เต็มตัว เพราะมีอำนาจที่ชื่อว่าธรรมมาที่ปตายเต็มตัวซึ่งความมีอำนาจในตัวนี้จะแตกต่างกันไปคนและบุคลิกภาพ